ไปหาหมดทุกอาจารย์ที่เขาว่าเก่งๆดังๆไปมดก็ไม่ใช่ทางแตสรูพอ ก, ก็มาทำทุกขละกิริยาเราเห็นไหมทุกขละกิริยาพระพุทธรูปปางนั้นเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทุกขละกิริยาพอส เ, เลือดโครกรกะดู หนังหุงห่มโครงกระดูกไว้นั่นละปานนั้นจึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าทรมานนะทดสอบดูหมดมันก็ไม่ใช่ทางตัดสูหมืันกันทรมานมากๆก็บีแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงทรมานมาแล้วก่อนพวกเรา ก่อนจะตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าก็ต่อสู้ฝ่าฟัาฟานอุปสรรคมาอย่างหนักหนาเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดาให้คิดดูสิกินข้าวา ว, ว, วันลนะเทนะ่ า, า, นะ า, มาเม็ดถั่วเขียวนี่วันเดียวนี่ยวันหนึ่งน่กินข้าวข้าวน่ยเท่าเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยดูสิเม็ดถั่วเขียวจะใหญ่อะไรไม่เท่านิ้วก้อย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 นั่งอที่ฐานตั้งแต่หัวครับตามใดที่ไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ลูกจากที่นีนั่งนี้เลยที่รองนั่งคืออะไรยาขาอย่างพวกเรานี่ยที่รองนั่งโอ้เบา อ, อย่างดีนั่งสบายอันนั้นยาขากระดู ก, กดิกตัวนิดเดียวก็บาดขาแล้วหรือไม่บาดขาก็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 ไม่ใช่ธรรมราน่แน่นอนจริงจริงิงได้เป็นาศาสดาของพวกเราจริงได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในว่าโอยพวกมารควรตรอดจนจะสว่างหนน์มารถึงพ่ายแพ้ไปพาอรุณขึ้นเท่านั้นแหละมารก็พ่ายแพ้พระพุทธเจ้าก็ได้ใช้ชนะ ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราต่อสู้มาอย่างนี้ลําบากอดทนมาอย่างนี้แต่ก่อนอยู่ในลัว้วในวงังเพียบพร้อมในสมบูรณ์ทุกอย่างทุกชนิดทุกเรื่องเลยแล้วไม่ว่าเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องอะไรแต่อะไ ร, ออะ ไ, รไปไหนมาไหนสะดวกสบายหมดทุกอย่าง แต่พระโ อ, อ ก, ก็มาต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากทรมานอยู่ในป่าในเขาข้าวหาจะกินใส่ปากใส่ท้องก็ไม่มีโดยเฉพรหอมลง้อมลงเดินพระโ อ, อมาบำรุงร่างกายให้มันแข็งแรงขึ้นกินข้าวกินปลาอาหารร่างกายแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็อธิษฐานกิดเลย เ็นเดินห่อะอธิษฐานกิดเลยเดินหงายอยู่กลางป่าเนียคิดดูสินั่งอยู่ใต้ใต้ต้นโพต่อสู้กับพญามานเราจะได้ต่อสู้อะไรพวกเรายังไม่ได้ต่อสู้อะไรแค่นั่งกระปวดขาเลยอย่างนี้เลยใจออกแล้วถ้าไม่มีระเบียบให้นี้ได้นี้แล้วนี้ต้องนานแล้ว เปิดแนบเลยแหละมันเป็นงานอันนี้ก็เห็นว่ามันมีดีอยู่ดันแหละถึงอดทนต่อสู้แต่ว่ามันไม่ได้เสี่ยวหนึ่งของพระพุทธเจ้าว่า ง, งั้นเถอะพระวันเดวายาติยมไม่ดีนะผู้มาปฏิบัติธรรมผู้หลีกเล่นทั้งหลายไม่ดีไม่ใช่งนั้นหมายความว่าเราทํายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าเรายังทําไม่เท่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเรานี่ทำเด็ดเดี่ยวห้าวหารต่อสู้อดทนเข้มแข็งทุกอย่างไม่ท้อไม่ถอ ย, ไ ม, ถอยไม่หมดกำลังใจไม่ว่าหมู่มานจะมากมายขนาดไหนก็ตามพระองค์ก็ต่อสู้ได้เอาใช้ชนะได้ไม่ได้วันไหวเลยลองคิดดูสินี่แหละครูบาอาจารย์ของพวกเรากเหมือนกันรุดลงปูมันลูกศิษย์ลงปูมั่นลงปูมั่น ก็ต่อสู้อดทนตามปัดโอ้ยยักษ์มันมาตีหัวจนนั่งสมาธิอยู่จนหลบกพบลงไปในพื้นแผ่นดินไม่ใช่ธรรมดาอยู่ถ้าสาลิกาพาไปอยู่ที่นั่นตายมาแล้วกั้งหลายองค์ ลพบุญมั่นจะขึ้นไปชาวบ้านไม่ให้ไปเลยอะาถ้าก็พยายามว่าจะไปขอแต่ให้ไปบอกว่าอยู่ตรงไหนอะจะตายหรือไม่ตายก็ไม่หวั่นไหวกันละสู้กันละ่ะลพบุูมั่นเขาไปอยู่ก็เก็บป่วยขึ้นมาเหมือนกันภูมิเขาไม่อนุญาตเลยโอ้เป็นกวรใหญ่เลยจนเพราะโลกูมัน่นจนได้บรรลุ คุณธรรมสันสูง ข, ขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าโอ้โหมันมีเจ้าป่าเจ้าเขานี่สำคัญนี่ห่วงที่นึกว่าเราจะไปทำอะไรแต่สุกวันนี้กลายเป็นวัดแล้วทําสถิิการวัดอยู่ข้างน้ำตกแล้ะเย็นสบายต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหนลองพี่นาดูสิหลวงูมั่น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 ข้อนี้ก็เป็นรุ่นหลวงปู่หมดแล้วที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่สามหลวงปู่ชิมหลวงปู่อุ้ยหลวงปู่อ่อนไล่ไม่หมดเลยแหละที่ติดตามท่านออกไปหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ลุย ไลยอหล ง, ง, งปู่แหวนหลวงปู่จันโสมหลวงปู่หลวงพ่อประสิทธิ์พวกนี้หลวงพ่อวิริยังต่อสู้กันทั้งนั้นนะ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 ภารับนั้นแล้วก็จะสันจะสันข้า ว, วพอให้พรออเสร็จแล้วจะสันน้องปูเทศได้พูดขึ้นว่าวันนี้เราไม่สันข้าวกันเถาะป่าแขนี้ ก็วันนี้ไม่ต้องฉันข้าวกันแล้วนะพวกเราพูดง่ายถ้าเป็นจำนวนอัะวา ก, ก็เป็นงี้แหละ ว, วันนี้เราไม่ต้องทานข้าวกันแล้วนะพวกเราอพอหลวงปู่เทสพูดอย่างนั้นพระทุกองค์ก็ไม่ยอมฉันเลยแต่ในประวัติหลวงปูม่มันไม่มีไมเออหลวงปู่ เ, เทสท่านไม่ได้เขียนไว้เลยเ อ, อแต่อยู่ในประวัติของหลวงปู่ ลูกปูอะไรนะล่ะลูกปูคําพองออลองกปูคําพองท่าเขียนไว้มะพร้าวหล่นลงมาแบบนี้ถูกพาข้าวที่มีอาหารน่ะแตกกระจายไปเลยหมาลุมเข้าไปกินแล้วแบนี้กินอาหารน่ะกินแล้ว n g o à งับ n g o à งับไป แ, แล้วตัวตายเส็จหมดเลยตายหมดเลยมาหนะ่าตายหมดมา ท, ที่ไปกินถ้าพระพวกนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่มียานยังรู้อริยะ อ, อ, อนาคตหรือว่าเรื่องต่างๆได้ถ้าไม่เก่งริงโอ๊ยให้ลองดูสิตายหมดพระพวกนั้นกินข้าวเสร็จก็ตายงอยงับงอยงับหมดเลย นี่แหุนแรงขนาดนั้นแต่ท่านบรรลุถูงสุดแล้วท่านรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงกล้ า, าหาญทํางานช่วยพระศาสนาสลาชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆยอมเป็นยอมตายแต่ถ้าท่านไม่รู้นะพระนั้นก็ตายวัดเลยที่ไปด้วยกันแต่นี่ท่านรู้ ท่านบอกอย่างนั้นเป็นอนว่าทุกคนไม่ต้องไปอธิบายมากมา ย, ยดูหมาตายเป็นตัวอย่างหมาตายไม่ใช่หมายตานะหมาตายหนะม า, า, มาจริงๆเนี่ยมันตายมันตายจริงๆเข้าวิทาบาทไปวิทาบาทโอ๊อย เน้นอยู่หางแถวนะ่ยพอหัวแถวพ้นไปสวนกันนะหางแถวเตะกันล่ะตีกันล่ ะ, ละวันหลังมาหลวงพ่อคําพอ ง, พองเป็นเนีนใหญ่หรือเปลนี้ไม่ใช่เป็นเนีนนะถ้าเก็เป็นพรมกันแต่ตอนนั้นทนเดินตามหลังเลยล่างท่านใหญ่ได้เป็นนักหมวยเก่าล่างใหญ่ถึงขังนี่ยโอ้ไม่กล้าเขาใกล้เลยเปล่นี่อืม งแถวจะผ่านก็ไม่กล้าเขามาตีมาเตะ ม, มาต่อยดูสิให้คิดดูขนาดนี้ไปวินทาบาทในหมู่บ้านกลับมากุฏิเหลือแต่ฝุ่นกุฏิสับรลองกุฏิว้ไม้กุฏิยาเหลือแต่ฝุ่นเขาเผาทิ้งหมดเลยใบสุทธิใบอะไรต่างๆเอกสารต่างๆเสียห า, า, า, ายหมด ได้ไปทาเอาใหม่หมดเลยมันทุกยากมากแค่จะไปเว้ยแพรอแต่ไปภ า, าวนาท้าก็ไปแล้วอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เท์อยู่กับหลวงปู่มัน่นตั้งชิบสองปีอยู่กับหลวง ป, ง ป, ง ป, งปู่มั่นหลวงปู่เทพไม่ใช่ธรรมดา ตอนเวลาสิบสองปีพิจนากายอย่างเดียวฝึกสมาธิด้วยการบริกรรมพุโทโธพุทโธ โ, โลงป่อานสุบริกรรมหลวปมั่นให้บริกรรมเยพุทโชปฏิกุโลร่างกายเป็นของโกโบกปฏิกูลถ้ากระท่องอันนั้นอยู่ในใจเยพุทโธปฏิกุโลอันไหนก็ได้ หลักการภาวนานะขอแต่ว่าให้เป็นกุศล ส, สิ่งนั้นเป็นกุศลเราให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันถึงถ้าเราปฏิบัติถึงแล้วแน่นอนที่สุดเลยแน่นอนที่สุดมันต้องได้แน่นอนที่พระเจ้าตรัสว่าเจดวันได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือพระนาคามีเจดวันไม่บรรลุเจดเดือนต้องบรรลุคนหนึ่งเอาแต่งหนังสือเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ ที่ีปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่ใส่ชื่อน้องซื้อว่าเจ็ดวันเออเจ็ดเดือนบนรรลุธรรมโอ้คนซื้อใหญ่เลยคนอยากบรรลุธรร ม, มนั่นะครูบาอาจารย์ของพวกเราต่อสู้มาขนาดไหนลำบากขนาดไหนยุ่งยากขนาดไหนทนทุกข์ทรมานขนาดไหนที่จะสามารถเอาศาสนาเอา วิธีปฏิบัติเผยแพร่ไปทั่วประเทศถ้าหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่มาถึงป่านนี้หลวงปู่เทศมีชีวิตอยู่มาถึงป่านนี้โอ้ยมันจะช่วยกันประกาศพระศาสนาอย่างเต็มที่เลยแหละอันนี้ก็บเลือแต่ลกูกแต่หลานเศษออกมาขนาดหลวงตามหาบัวเขาได้มหาแล้วกล้วเลยถึงหลวงปู่มั่นเลย อเห็นหลวงปู่มันใครเดินมาในเงามืดผมใครก็ม่ผมตัวมีคนหัวลา้านมันไม่มผมมันก็ยังเหลือเลาะข้างหูอยู่อโอ้หลวงตามหาบวัวผมหลงพระอาจารย์พระมหาบวัวครับเอออย่างนั้นหน่อยสินั่น ถ้ารู้ใจของคนแล้วว่าคนนั้นต้องใส่หมัดหนักๆโอ้ยหลวงตามหาบัวดีกาบไปตั้งแต่วันใดนี่อยขึ้นไปคานขึ้นไปจนไปถึงหลวงปู่มันนั่นทุกวันนี้เป็นยังไงฟันก็เป็นพระทาตผมก็เป็นพระทาตุครูอาจารย์รุ่นเก่าๆรุ่น หลวงปู่แล้วเนี่ยเยอะที่อยู่หลวงปู่มั่นที่หลวงปู่มั่นมาเผยแพร่ศาสนาอยู่จังหวัดรจังหวัดสกนลนครหลวงปู่เทศกับเจ้าคุณธรรมเจดีนี่ปรึกษากันให้ทำจดหมายไปนิมนต์หลวงปู่มั่นลงมาอยู่อีสานเพราะภาคเหนืออยู่ตั้งสิบสองปีแล้วสบายพอแล้ว ภาคเหนือทั้งเย็นไปหมดเวลาเราไปกิจสงบง่ายท่านแผ่มไม่ตาไปแล้วทั่วแล้วภาคเหนือส่วนภาคอีสานหนึ่งท่านลงมาอย่างรีบ ด, วด่วนเลยรีบปว ด, ดเอาปวดเอาปวดเอาปว ด, ดเอาโอ้ยได้เป็นพระหารกันมุดพวกเรานี่ยจะว่าอะไรถ้าตั้งใจภาวนามันก็ได้เหมือนกัน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 พุดโทก็ยังหายไปเลยอีกโอ้ยนี่ทําไงถึงจะได้ทําไนถึงจะถึงทํำไงถึงจะหลุดพ้นในที่เรียนมานพระองค์นั้นสําเร็จอรหันตรงนั้นพระองค์นั้นสำเร็จอราหารันตรงนี้มันปลุกใจน่าดูเล ย, เ, ยเราก็ต้องเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งให้ได้เหมือนกันเราไม่ถอยละ่ะเราจะต่อสู้ให้ได้จะยุ่งยากปัญญาก็ตามอดทนเดินจงกรม เอาเป็นเอาตายนั่งสมาธิก็เอาเป็นเอาตายไดูดูทีบันไดบลูมันขนาดไหนล่ะโอ้โหกว่าจะได้เป็นพราอหารทุกคนนั่นแหละสามารถที่จะปฏิบัติได้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 คุณหญิงอะไรละลืมชื่อแล้วคุณนายสุภาถวายห้าร้อยบาทไปทุ ด, ดงกันเลยซื้อนังซื้อนี่กันเลยเหลือค่ารถค่าเรือเหลืออยู่แค่ร้อยห้าสิบบาทค่ารถมาจากสว่างม า, ามาจากสว่างมาถึงบ้านปากก้านนี่เขาเอาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เงินมีอยู่ เขาเอามากกันแหละเอาเก้าสิบบาทเหลือให้ร้อยห้าสิบบาทเออเอาไปเท่าน่ะพอมาคิดสร้างวัดนี่ก็มีเงินอยู่เท่านั้นแหละซื้อหญ้ามงกุติได้หลังหนึ่งพอกันแค่นั้นเองนี่แหละไม่ใช่ไม่ต่อสู้ต่อไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโอ้สาราขึ้นมาโบสถ์ขึ้นม า, าที่พักที่อาศัยขึ้นมาเกิดขึ้นเองนรันลมิตรขึ้นเองไม่ใช่ญาติยมบริจาคมาทงนั้นเลย เขาจะบริจาคให้ได้มันก็ไม่ใช่ธรรมดาเขาต้องศรัทธาเลื่อมใสจริงๆเขาจึงให้เงินให้ทองให้มาต่อให้เรามาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ทีนี้เงินมันก็ไม่มีหรอกมันก็พุกยากขนาดไหนเออพุกยากมากมิทธบารกก็มีคนใสก็นิดๆหน่อยๆก็ได้กินนั่นแต่ใจเรามันสงบมันสบายเดินจงกร ม, มอยู่หรือว่าเดินทางานอยู่มันก็สบายก็ชอบใจตรงนี้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 อ้าวบอกญาติบอกโ ย, ยมช่วยเหลือกันนั่นนี่ต่อสู้มันก็นถึงเป็นทั้งนั้นมาสําเร็จขึ้นมาไม่เคยก่อสร้างก็ต้องหักเลยนะไม่เคยเทพูดไม่เคยอะไรก็ต้องหักไม่เคยไม่พอกราบก็กร า, าบไม่พอไหว้ก็ไหว้แต่ก่อนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเออครูบาอาจารย์เน่ยเอาเสือเอาช้างเงยในป่า พัวมามากๆมันรู้จะคิดถึงใครอคิดถึงก็พุทธเจ้าพระผู้สูงบอกกันไว้ตายเป็นตายตายเพื่อพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันออืถ้ามาปั๊บก็คิดถึงใครเหรอโอคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็ยอมพ่อยบแม่เนี่ยเออทาไมไปยบพ่อยบแม่ล่ะเอ้ยบแม่ก็จะเอาเงินมาสร้างวัดหรืลักก็ยบแม่ยมพ่อไม่ไม่ควรพูดก็พูดะ วัต่อสู้ที่สุดเลยอตาตมาตั้งใจโอ้ยจะไม่ให้ใครมานั้นได้เลยจะไม่ยอมใครเลยในชีวิตนี่ว่าอย่างงี้นะตั้งใจเด็ดเดี่ยวขึ้นมาอมืพอมาสร้างที่บัดนี่โอ้โหจะพอบคุณเลยเ อ, อไม่พอเรียกว่าพ่อก็อเรียกว่าพ่อไม่พอเรียกว่าแม่ก็เรียกว่าแม่เลยยมพ่อยอมแม่เเออเ อ, อ เขาก็เออเขาก็ให้เงินให้ท้องมาสองหมื่นสามมื่นสี่หมือนห้ามือนเป็นล้านหลายล้านก็มาทำมาสะงต่อสู้ไหมต่อสู้พิธีมณะก็ลดลงควรจะยิงพะเยอะก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นละต้องลดลง ครูาอาจารย์ก็ต้องกราบต้องไหว่ อ, อ, อย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อนั่นนี่โอ้ยกว่ากิเลส จ, จะหมดจากใจมันไม่ใช่ธรรมดาก็เอานี้แหละเป็นเครื่องต่อสู้ทุกคนสามารถปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้ถ้ารู้วิธี ดูวิธีแล้วตั้งใจทำจริงแค่เรามาอยู่นี่เราก็มั่นใจแล้วว่าเรามีธรรมะในใจกันทุกคนแล้วนีว่ถ้าเราทำต่อไปไม่หยุดหย่อนชีวิตนี้เราก็สมหวังเต็มที่แต่คณะมาที่นี่เรายังมาเท่านี้เรายังสมหวังแล้วยังสมหวังแล้ว ถ้าปฏิบัติไปอีกเจดปีหรือปฏิบัติไปอีกยี่สิบสาสิปีข้างหน้าหรือห้าสิปีข้างหน้าลองดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณธรรมที่เราทำไปมันก็เกิดขึ้นมรรคผลก็เกิดขึ้นจเจริญขึ้นในที่สุดก็เดีกระดูกเป็นพระธาตุ น, น่แหละใครบรรลุเราก็รู้ด้วยใจของเราเองเโอ้เราบรรลุแล้วอันนี้ใจเราไม่กลับไปกําหลบ เปิียสารขึ้นมาอีกใจเราสงบนิ่งใจเราสบายใจเราปล่อยวางใจเราละราคะได้ใจเราละโภสะได้ใจเราละโมหะได้ใจเราละกิรสตัณหาได้ทุกอย่างใจเราเบาใจเราสบายนี่เราเห็นแล้วนี่แหลเห็นทําคือเห็นใจของเจ้าของว่าใจบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี่คือไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลง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 พอเป็นพระในพุทธศาสนานี่แหละต่อช้อดทนท่านยังได้เป็นพระอารหันต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละที่ติดตามลหลวงปู่มั่นปฏิบัติตามลหลวงปู่มั่นพ็ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์หมดทั้งสิน้นพระลูกพระหลานที่ปฏิบัติตามมันก็ได้เหมือนกันเป็นพระอารหันต์ได้เหมือนกันพวกเราปฏิบัติ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 จนถึงเที่ยงหยุดดื่มน้ำดื่มท่านั่งสมาธิต่อต่อสู้อยู่นีแหละมันก็เป็นไปได้เหมือนกันขออย่างเดียวให้เราทำจริงก็จะต้องเห็นความจริงขึ้นมาในใจเราใจเราก็จะแจ่มใสเบิกบานมีความสุขอยู่กันนะ นี่แหละพอเราต่อสู้อยู่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยให้คิดดูครูบาอาจารย์ท่านทำมันหนักกว่านี้อีกบางคนบอกกลัวผีกลัวสางกลัวธรรมายมันไม่มีอะไรหรอกมันก็เรื่องของมันมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องในวัดในวาหรอกไม่ต้องกลัวแค่ผีเฉยๆยังกลัว มันไม่มีตัวมีตนอะไรไปกลัวมันทำไมเสือสร้างครูบาอาจารย์ต่อสู้มาแล้วนี่แหละขอให้เข้าใจตามนี้ให้ตั้งใจอดทนต่อสู้บากบัน่นมุ่งมั่นเพื่อความบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเพาะธรรมะเป็นของสากลเป็นของสากลเป็นของโลกพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพื่อโลก